แต่ละคนฐานะสถานภาพก็อยู่ที่ที่ดุลหรือนม่ดุหรือว่าถ้าเขายัางยังไม่ได้ดุลเป็นที่ทกไ็ไม่ทําบุญขาก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เต็มแต่ถ้าเขาทาเต็มแล้วเขาทําไปเหมือนกระเทน้ําเต็มแก้วแล้วถ้ากระเทนเทเข้าไป ก, ก็เหมือนกระนองแก้ว น้ำก็ไม่มีมากไปกว่าเท่าที่มีอยู่แต่ถ้าเขามีน้ำเพียงพึ่งแก้วแล้ว <Nept un> เขาหยุดเขาไม่เต็มน้ำเขาก็ได้น้ำพเพียงพึ่งแก้วแล้วก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใจเพราะว่าใจมันก็เป็นเป็นเรื่ อ, อยบุญไม่ยังไม่ยังยังไม่เต็มยังถ้ายังไม่เต็มใ จ, ใจเขาก็ยังต้องมีความหิว อ, อยู่เมื่อยังมีความหิวก็ยังต้องมีการไปเกิดอยู่ ก็ <Okay. S 2> มีมคนพูดอย่างมีหลายคนเขาเข า, าบอกบว่าเขาเขาไม่ชอบทําบุญแต่เขาก็ไม่ได้ทําบาป<ม>ที่เราก็ไม่ได้ถามนาเรียวว่าการไม่ไม่ทําบุญนี่หมายถึงอะไรบา้างเพราะบุญมันมีต้องหลายอย่างบุญมันมีต้องสิบชนิดด้วยกันถ้า ถ้าไม่ชอบใส่บาทอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาทาอย่างอื่นเพื่อเขาสงข่งพระผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นนักบวชเขาก็ยังได้บุญเหมนืนันเลี้ยงสุนัขตอนจากนนี้เขาก็ได้บุญเหมือนกันเพราะเพราะเป็นการเป็นการทําทานเหมือนกันเป็นเป็นวัตถุกทานาทานี่เราทำ แต่บุญมันเพียงกต่ทางี้ยเดี๋ยวนี้มันมันยังไม่ไม่พอถ้ารับประทานอาหารก็เหมือนรับประทานข้าวเปล่าไม่มีกับข้าวไม่มีขนมนไม่มีผลไม้อมันต้องทําหลายอย่างด้วยกันต้องกินอย่างนี้ทำบุญทานแล้วก็ต้องภาวนาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ มีมีความมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมราทิถฐิมีปัย่ามันก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าก็ยังมีไม่ครบบริบูรก็เหมือนกับรับประทานอาหารไม่ครบหนูร่างกายก็ถึงแม้จะได้อาหารแต่ยังขาดสารอาหาร ก็ยังก็อาจจะยังต้องเก็บไข้ได้ป่วยนี้เป็นโรคไข้เจ็บนั้น้ารทำบุญถึงต้องทำให้ครบไนงะแต่ส่วนใหญ่ก็ชอบทำแต่ทางแต่ไม่ค่อชอบภาวนาแเ พ, พราะภาวนานีหมอนถูกถูกจับเข้าถังไว้ในกรงไม่ชอบอยู่ในกรงนะ ทาพภาพออกไปเที่นผ่ า, า, า, น, าน่ไปรอบโลกก็ไปไ ด, ด, ด้ถ้าจัดถ้าถ้าจัดถ้าจัดทาป่าไปอินเยียนี่ห้องยังมีคนไปยันเยอะอะไรใจยังยังยังยังไม่ไม่ชอบเที่ยวข้างนอก ใจยังสู้กำลังของการว่าตัญหาผักออกไม่ได้กามว่าตัญหาเนี่มันจะผักใจแห้งออกไปสว่งหารีดเสียงกิ่นรสถ้าถ้ามีธรร ม, มะมีสติก็จะมีกำลังดึงใจเข้ามาข้างในง ท, ที่ปฏิบัติเองไม่ได้ที่ต่อสู้กับกิบเลสมนไม่ได้เพราะไม่มีสติสติมีกำลังไม่มากดึงกายพาไว้ให้อยู่ข้างในไม่ได้กระเถิด่ิเลสถูกปัญหาพาผัขให้ไปหารูปหาเสียงหาสิ่งหาว่าสาิ่สลอดเวลา เหมือนคนติดยาเสพติดยาเสพติดมันก็มันก็เป็นลูกถึงติดรถยนต์กันมันรุนแรงกว่าอย่างอื่นเพราะมันติดแล้วมันเลิกยากแล้วก็มีอันตรายต่ร่างกายมากกว่าลูกถึงติดเล็กๆนิดเองเช่นเครื่องดี่อาหารขนมนมน้ำต่งาง รูปเสียงถึงอันนี้มันก็เป็นเหมืนอนยากเสพตินแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตขอร่างกายถึงกับไม่สามารถดำเนินชีวิตไปตามปกติได้ยังยังสามารถดำเนินไปเป็นที่ขึ้นของตัวเองได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมากจนเกินไป พรคยาเสพตินี่มันพอเสพก็มันมันไม่มีความสามารถที่จะไปทำทำงานทำารดูแลสุภาพร่อางกายคิ้วตงต้งได้เมันก็จะทำให้ต้องไปทำบาป ท, ทำอะไร ง, ง่ายสุดโรคยาเสติดนี่ก็ได้มีอาชีพทำมาชีพ ต้องไปทายาสินติไปทำอาชีพที่ได้เงินมามนง่ายๆก็จะรั่วก็จะอยู่ในกลุ่มของอบายามุขพวกเบญตรายาเรามีชีวิตตังต้งคืนอาชีพตั้งคืน แต่พวกที่เสพอย่างอื่นเสพ ร, รูปเสียงกิน่น้อสชนิดอื<ม>่นก็ยังสามารถที่จะทํางานทําการได้ว่าวันจันทร์ที่ก็เข้าไปเสพ ร, รูปเสียงกิน่นรสกันวันจันถึงวันศุกก็ไปทํางานกันเป็นหลักแต่ก็มีเวลาว่างก็ยังต้องดูดูต้องดูต้องฟัง ตอนมเย็นกลับมาบ้านก็ต้องเปิดดูละครบ้างติดเพลงฟังบ้างใส่สัตวาหมาพูดนคุยงองกุนดอกสมเลจมองเราคนเดียวต่เห็นคนอื่นก็เป็นอย่างใจไม่นงานสังคมต่างๆนี่มันเป็นเรื่องของของของการเสียดูปเสยงกินมาานท่งานไปงานเลี้ยงไป ไ ป, ไปดูคอนเซิร์ตไปดูละคอรออกไปเดินเที่ยวต่องกล้วนี้มันเป็นการให้อาหารแก่กรรมว่าตันหากมว่าตังหาเมีมยผีพอให้มาอยู่วัดอยู่อย่างเนี้ยอยู่ไม่ได้หรอมันไม่มีอะไรนี่ดื้อไทาําถ้าไม่ ถ้าถ้าเดินยงกลมนั่งสมาธิเป็นก็จะจ ะ, จะอยู่อย่างเทอาประมาณถ้าเดินยงกลมนั่งสมาธิเป็นก็จะมีาการสุขมาอยู่หลงจาาท่านก็ไม่เคยปล่อยให้พระหนึ่งไปงานศพสุบาจังไม่เคยได้ออกไปไปงานศพของสุบาจังเลยครับเพราะว่า ท่านก็เห็นความสาคัญของการภาวนาะมากกว่าการไปช่วยงานงานช่วยงานนั่ก็เป็นงานระดับทางส่วงานระดับภาวงงานานี้มันก็จะไม่ได้ทำมันก็จะเสียถ้าถ้าถ้าภาวนาอย่างอย่างอย่างต่อเ น, นื่องก็มันจะทำให้ เสียพอน่าใจได้พอไปทํางานอย่างนั้นแล้วมันมทําให้จิตอยากอย่างเหมือนกับเร า, เาใช้กระดาษทราผัดผิไม้แล้วแล้วเราต้องกลับไปใช้ขวานใช้สื่อแต่งไม้ใหม่ไม้ที่เราผัดด้วยกระดาษทรายอย่างละเอียดแล้ ว, ลวมันก็เสียผิวมันเสียต้องกลับมา ต้องมาตัดส่เพราะถ้าถ้าได้ทำงานภาวนาอย่างสองเมื่อานไม่ไม่ควราาที่จะไปเสียเวลาทำ ง, ง า, นงา น, า, า, งา น, นงานภาพต่างงานกระถิ่งงานอะไร่านๆถ้างานวันาานี้ไม่เคยทำงานไหนเล ย, า ง, ยา ง, งานภาพต่างงานกระถึง งานาลองงานที่ไหนไม่ใคยไปวัดหนก็ไม่เคยไปถือว่าสายวันตายก็ไม่เคยออกไปวัดไหนเคยไปครั้งเดียวตพรานั้นเป็นท่านเบตจาให้ท่านพระาจารย์อินทวายไปนิ ม, มนต์พระอาจารย์สิงห์อทองพระอาจารย์สุพัฒน แล้วก็ท่านาจารยสรนที่วัดบางไทรก็จะให้มารับรับทบุญท่านทาบุญให้กับโยมที่บ้านตากคนหนึ่งที่มีบุญคุณต่อวัดไม่เขาตาย แ, แล้วก็อหนนี้มันกูบยาใจเนี่าายทำบุญถวายทำบุญอยู่ที่ท่านอาจารก็กรดี ก็เลยวันนั้นไม่ทรายังไงมีพระูปท่านไปด้วยถ้าว่าเฉลยไปแอบไปเนะเพราะไม่ได้ขออนุญาตนไปรออยางนี้หน้าประตูวัดนี่ก็หนียไปทางเดียวาคร <c oughs> ูใหญ่ไม่อยู่ท่านอยู่ท่าอยู่ที่ั คือตั้งแต่ไปอยู่มันไม่เคยไปไหนเลยมันถึว่าไปวัดอื่นวัดวัดป่าวัดอื่นไม่เคยไปไหนเนยลยเพราะเคยธรรมเนียมที่วัดท่านจะไม่ไ ม, ไม่ไม่พาพระเนยไปไปศาลครูบาอาจานน ร, รย์ในเชื่อท่าภาษาเราปกติวัดเองเราจะพาพระเนยไปศาลไหว้ครูบาอาจารย์ทำวัดขอประมมากันรลงเท่าภาษาแต่ที่วัดป่าวัากราชนี้จะไม่มีธรรมเนียม mm hmm. ท่านจะทําของท่านองเดียว งท่านจะไปทําวัดกับทุบายใจเอาเรืองแต่พระเนี่ท่านจะไม่ให้ออกสวรรค์ท่านสงวนท่านหวงมาก อ, า อ, าอาไม่ไม่อยากจะให้ออกไปรับนู่เสียงดินร้อนเนื้อพอออกไปรางใจมันก็พูงแต่งกลับมาแลสัญญาลมมาพาดข้างทา ง, ทางอยู่ในใจเวลาเดินจงกรมจะคิดถึงภาพที่เห็นที่ออกไปมัเเนเป็นอันตรายมากจ้า ต่อความสงบของจิงตใจแล้วถึงเคยได้เคยได้ไปเห็นวัดป่ายู้ายวัดที่เขาสะกุลกับเขาดอนกระทังนั้นทั้งเดียวตั้งแต่ไปอยู่เกือบเก้าปีกับปีกับนีก็เดาออกไปทังนั้นทังเดียววัดท่ารงสิงห์ทองกับที่วัดาแก้วบุญทมเดินวัดท่าจางสิงห์่ใกล้ๆกันเลยไปหน่ย แลาเไปตอนนั้นมันนอนเท่านนอนอาคาบเน่ยมันต้องก่อนสขของสามเนี่ยท่านเสียปีสองสาันจะปีสองสองหรือวปีเมื่อปีก่อนไนะครับที่้านเราจะไปวัดถึงคนแล้วผ่าแก้วแล้วก็ไปวัาอาจารย์สุภาถึงแล้วก็กํังที่รัดพระจ่ายนงแซวท้าอาจารย์เสือี่ที่หนังแสงปู่พูดปูบ พ่อแมกรวท่านอนท่ า, านพาดนี่ยค่านาจารย์เสงทั้งเป็นเจ้าว่านเจ้านี่ยไม่เคยไปงานไหนเลยงานศกงานงานฉลองงานอะไรต่างอยู่แต่ใน ว, วัดตลอดมันก็เลยติดนิสานี้มาไงไง ไปเข้าสังคมของเขาไม่เป็นวันนี้จะไปไปไม่ได้ทำตัวยังไงเพราะใจที่ท่านการไม่ได้ไปพอทีวันนี้การมันยุ่งมากแค่จะไม่ไปบีเลย้าลองก็เห็นในนัยนการที่เขาถ่ายรูปอย่าืนี้ดีที่สุดเหมือนวีกเหมือนกับงานวัดทองทองต้องไปทคอศพลอยมันก็ต้องเป็นไปตามสภาพของมันึงมันก็จำลองไปในระดับนั้นมันก็น้าโน้มธรรงานีย อาจารย์รแต่ถ้ามองในระดับของนะักปฏิบัตินะักภานาะมันก็ควรจะคนรจะอ่อถ้าไปก็ไปพับแล้วก็กลับเลยเหมือนครูบาอาจารย์บางรูปท่านก็ไปกลาวแล้วก็กลับพรอาจารย์แด่เนื่องไปเสร็จาเสร็จแล้วท่านก็กลับเลยหลวงพ่อถุยก็ไปตั๊เดียวเลยเพราะว่ามันมันมันมันมันอยู่ในสภาพที่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เป็นวัตจาของของวัดสรรมฐานที่จะสุดใจฉันก็ไม่ออกเลยตอนนี้เพราะมันมันคุมอะไรไม่ค่อยอยู่ไปเราก็เหมือนไม่ใช่วนตัน สมมยที่เราไปอยู่เป็นว่ามันตราเป็นอย่างนี้จะไม่มีญาติเยอะที่จะอยู่ในครัวก็มีสองสามค น, นที่นั้นที่คุณมีคุณพาไปอยู่แล้วก็มีมมมมอมม่คจีวงฉะนั้นอะไร ส, สีนี้ก็มีสองพ่น้องก็มีแค่นั้นแล้วก็มีในครัวก็มียยมยมมัลลาอางนี้ เงียบไม่เยบมีคน er, mm hmm. um, ทด mm ี hmm. ้งคนธรรมดานี่ถ้าจะไม่มีรลไฟไปไม่น่าไม่รู้จักท่านรู้บ้างแต่ก็ไม่มากถ้าจะเป็นช่วงช่วงออกพรรษาก็จะมีพวกไปจับรถบัสแบบพวกคุณคุณชายฝันจะพาจับโชครถโชคไปพวกก่อพอพอเขาสายเข้าสายฟักแล้วเขาก็ไปฟังไปกาวท่านฟังห้่ก็ขึ้นชังโมงนะคะว่ากลับกันละ เพระั้นท่านจะทานท่านที่จะไม่ไม่ไม่เปิดกว้างมาก็ท่านก็รับของที่เขาถวายแล้วก็ที่ทน่าฟแล้วก็ให้เรากเองท่านเข้าไปแต่ปีไหนนะ่อุเทปช่วงปีสองดีจังเผลดีมากสองปีสองหนงเพราช่วงนั้นมีพระคนท่างที่จะเข้าไปกันเยอะแล้นั้นกัน ตอนนั้นเราเข้าไปกันท่านเสดจใจแล้วต่อมาก็มีท่านวันชัยพวกพระฝรั่งก็มีท่านดิ๊กท่านเอี่ยท่านเอ่อท่านดิ๊ก็เข้าไปแล้วก็หลังมองอื่นแต่องค์อื่นเขาเขาอยู่ไม่นานแล้วเขาก็กลับบ้านกันไปเลยค่ะิทธาตาต่างชี่อสมาชิที่อยู่มีพระตาต่างชื่อให้อยู่หกลูกด้วยกันท่านปัญญาท่านเชอี่ท่านเอี่ย แล้วก็ท่านิกท่านคิกสเปอที่ช่วยใจ่นเสแล้วก็มีรู้เป็นชาวออสเตรเลียแล้วก็มีภระไทยอีกประมาณรับรวมไปทั้งหมดประมาณนั้นเท่า้นท่าน่ะเกือบถึงยี่สิบยี่สิบกว่านิยมแต่ท่านเคมมึงมีของท่านเต่าบอกว่านั่งต่อจะท่านลรวนั่งติดกันท่านจะมีนั่งติดกันเรานั่งติดกับท่านสิดใจ ตอนนั้นที่ไปก็สมนนั้ที่ไปก็อานารมีหลองตาแล้วก็อาจารย์วินมีแล้วก็หงปู่ลีแล้วก็ท่านอึ่นท่านอาจารย์อินทวายท่านปัญญาท่านเชอรี่แต่ท่านอาอารย์อุตอท่านอจรยอินท่านอจรอนตนั้นไม่อยู่แล้วเขาไปแล้วเาอยู่กับท่านอาจารย์สิงทองที่รัฐราน ไม่อยู่นะไปแ้ว้มเลยเพราะนั้นก็มีพระอาจารย์บุญนีที่อยู่เป็หลักอยู่สพระอาจารย์ีท่านจะเขา้าเข้าออกช่วงเข้าภาษาท่านักจะติ ต, ตัวไปตัมภาษาตามลาพังเอาภาษาท่มาได้กลับอง า, ท, าที่พรอาจารย์ก็มีท่านท่านาจารย์ลินถวายท่านปัญญาท่านเชอรี่ท่านเอี่ยง ก็มีพระชายอยู่รูปสองรูปจำจำชื่ท่านไม่ได้ท่านเขท่านอยู่ไปไม่นานนะท่านก็ออกใส่มองลงมาก็มีท่านท่านสุดใจแล้วก็จะมาแล้วก็ท่านพูดเลยโอ้โดนดุดุงง่ายอยู่กับทุกทุกวงไปไม่ได้ดูเลรอทุกคนเรียบร้อยหมดหมดไม่ดูทั้งหมดเวลานั่งเวลานั่ง <c oughs> นั่งเหมือน ตั้งั้งอยู่ข้างข้างวนอตรงที่ตั้อางศพตั้อยู่ท่านจะนั่งตรงเสาว่ารออาจารย์วณีปรถาสายแล้วก็เริน่มโค้เป็นอ่นี้เรียกว่าใกล้ีวมองเห็นนก็มองกนี่ัเคี้ยวยังได้ยินเคี้ยวยได้ยินดังไม่ได้เลยตอนนหลวงพ่อเพียรนไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว ถอโทษท่านอาจารย์เป็นเด็กเรียนนะคะทุกองเ็เดเรียนหมดอยูางาเนด็กเรียนเลท่านอาจารย์ขึ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์ทองไหมครับไเคเเคยเห็นท่านท่านไปเยี่ยมหลวงตาทั้งสองครั้งท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านเป็นคนคนทั้งที่จะถึงดังมีท่าทางที่รี้กว่า มีบาลมีนะ่เป็นคนที่คนเห็นแล้วก็ตลังเสียรจายำเก่งท่านก็ท่านเคยปราลบัาท่านคงฝากศพท่านไว้กับท่านจารีณทองให้ท่านจารีณทองจัดฌาปนิยมเสร็จแ ล, ลจงจจ้ ง, งว่าเรียบยร้อยนี่เป็นปัญห า, านี่เสียดายว่าท่านจะไปก่อนอ แล้วพอข้างวนนี้ก็นั่งได้ประมาณแั่เจ็ดแปดมือแล้วหลังจากนั้นก็ต้องลงไปนั่งข้า ง, งหลังนั่งข้างหลังด้านหลังที่หนึ่งตามนั่งอีกชั้นล่างก็จะจัดเป็นแถวตัว L ค mm ิมโค้งแบบนี้พระนีก็จะเวลาเวลากาับยินลำบากก็ทุกคนเราจะช่วยกันคือรับจะมีพระรูปหนึ่งรับประเคนของจากญาติโยมแล้วก็ส่ง ให้หนตาท่านตักไส่ใส่บาตท่านพอท่านตักเสร็จท่านก็จะยืน่น ใ, ให้พระที่มาคอยเข้าเข้าแถวรับรับรับอาหารที่ท่านตักแล้วก็ไปตักไส่บาตพระแต่ละบาทรคนละทัพปีทัพปีไม่คนละช้อนแล้วแต่มากน้อยท่านก็มีอบายให้ให้ตักจากหัวลงไปบ้างแล้วบางอย่างให้ให้ตักจากท้ายแถวลงไปบ้าง <c oughs> หเหมือนก็ได้ทั่วถึงกัน ตอนนี oui> ้หมวตาอายุถ huh. ึงหกสิบแล้วครับประมาณทขาคดเตอนที่เราไปก็ยังดนแอคีอตอนนี้เราหกสิบ้าเานสิบแล้วกเพีงได้เวลาสิบลูกท่านอาไม้เคาะเคาะเคากเรียกชาวบ้านเหือนตอนหลังไม่มีแล้ว ทช่วงที่ช่วงที่พ้านเนินฉันที่ชาวบ้านให้ไปคือเขาจะไปทำอะไรท่านจะให้ชาวบ้านไปทำไปอยู่ช่วงพลาเนนฉันก็จะไปช่วยถางหญ้าต้นไม้ที่ปลูกใหม่แล้วก็บางคนก็ไปรดน้ําต้นไม้ทําให้นั่งอยู่เฉยชาวบ้านทำงานพอพลาฉันเสร็จแล้ว ท่านก็จะท่าท่านจะมีไม้ที่ปลายมันจะเป็นทำด้วยมะพร้าวเนี่ยเนะเขาใช้สลับเช็ดเนี่ยเช็ดน้ำบดเค็มเนี่น้ำใส่ลงไปน้ำมันมีด้างมันจะใช้ดําเป็นข้อข้อขกับพุงฟกฟกฟกฟกบางังก็จะเรู้ว่าอาถึงเวลาที่ขึ้นมาขึ้นข้าวมันก็ใช่คุณเป็นผู้ชาย ไม่แล้วก็ญาติบมทุกม่างเขาอยางฟังหลวงตาเนอะที่ดีๆของท่านมีเยอะแยะเยอะมากเช่นทชุดเตรียมพร้อมนี่เปิดได้ทุกคืนเลยทั้งต่อนหนึ่งคือละชุดต้งเวลาสามเดือนถึงจบนะ ความเตนียมพร้อมเนี่ยเหมาทั้งกับญาติโยมกับพระคือไม่ได้เกี่ยวกับพระโดยตรงแล้วก็แต่ก็เกี่ยวกับทางด้านเรื่องความการทุกขเวทนาคามตายเรื่องการละขันธ์ ต, ต่างๆความทุดเป็นยมพร้อมเนี่ยมันก็บหมะกับทั้งคารวะทั้งกับพระฟังได้ทั้งสองฝ่าย ท่านจนะครับอเรียนคามปันหาเลยครับลูกยังติดเวทนาอยู่ค่ะท่านเป็นโรคไขข้อแล้วพอนั่งได้ระยะหนึ่งนีเจ็มันจะบอกให้ยุดหุดนั่งให้ออกก็ถึงจุดนี้ที่ไลเป็นโกที่เป็นเพราะสติยังไม่แกรือว่ากินสีห้า ย, ยังไม่พร้อมค่ะท่าน ว่าสติมันก็เป็นหนึ่งในอินรีย์ห้าเป็นตัวองค์ประกอบที่สําคัญถ้ามีสติสมมติว่าเวลาเราเริ่มนั่งแล้วเรา ม, มีสติอยู่กับการบริกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เพราะว่าความเจ็บที่เกิดจากใจตูงแต่งขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่แฝงขึ้นความเจ็บที่เป็นของร่างกายนั้นมันจะไม่ไม่ไม่รุนแรงเหมือ น, น, มนกับความเจ็บที่เกิดจาก เพราะว่าความความปรุงแต่งของใจตอนนั้นใจไม่มีโอกาสปรนงแต่งความความกลัวความเจ็บไ ด, ด้ก็เพราะว่าตอนนั้นสติคุมใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานถ้ามีอื่างนั้นไฟมันมันก็จะพ่านมันจะนั่งได้นานแล้วถ้าบางทีก็อาจจะสงบด้วยเยองบางทีอาจจะไม่สงบแต่มันก็ไม่ไม่เจ็บไม่ร้อค่ะค่ะส่ว น, นามากเองจะไม่สงบแล้วก็ ไม่ไม่เจ็บจิตเนี่ยมันจะสงบแต่แต่ไม่เจ็บมากพอทนไได้แต่ถึงพอจุดจุดหนึ่งเนี่ยอยากจะนั่งต่อให้มากกว่านี้มันมันมันเต็มที่แล้วกําลังของม่ไม่ไม่ไม่มันฆ่ามไม่ได้นะครับมันฆ่าไม่ได้มันจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนั้นก็ต้องพยายามอย่างก็สวีกเพล็กหนึ่งพยายามบริกรรมพุทโธพุทโธไปแบบว่ายอมตายไปกับ พุทโธนี่ไปเลยใจมันติดอยู่กับพุทโธมันจะเจ็บอะไก็ยอมให้มันเจ็บไปเพราะ่าสติยังไม่แข็อใจมันยังไม่ถึงถ้าใจถือความคาดได้นนใช่ใช ม, มันอยู่ตรงนั้นพอปฏินัติเน้นแทนที่จะรู้ก็เออยอมซุยเครื่องนึนยงยอมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปอไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สนใจความเจ็บ มันจะเจ็บั้นก็ยอมให้มันเจ็บแต่ตอนนี้จะไม่ไม่ไปยุ่งกับอะไรนั่นตอนนี้มฮอเกาะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวถ้าเราใช้พุโทโธนี่ก็อยู่พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วถ้ามันมันต่ะทําได้ต่อย่งไม่ไม่นานะมันก็จะหลุดได้มันจะหลุดจากความเจ็บนั้นได้ความเจ็บนั้นอาจจะหายไปหรือไม่หายก็ได้แต่ความสงบมันจะเข้ามา ในจิตตอนนั้นแล้วมันมันจะไม่ไม่กระมวลกระวายไม่ได่แล้วมันจะเป็นอยู่เบ็ดขาตาตอนนั้นมันต้องทําตรงนั้นเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นที่ตัดสินทัดีอะจแพ้ชัยชนะมันก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มีคนทขาเคยพิการเขานั่งสมาทธินานไหมพี่ตัอนมีคนเขาเคยพิการคือแบบเพราะว่าเพราะว่านั่งสมาธิ เป็นเวลานานๆเงี้ยเกิดการไม่ดีขึ้มี่ีแสดงว่ายังยังมีความกลัวกลัวในสังขารอยู่กลัวว่ามันจะไม่นั่นไม่เป็นปัญหาเรื่องน่งกายนั่งเฉยๆที่การพอไปเที่ยวกันมากกว่ายันยันเครื่องบินตบันไดบ้าง รถไปชนเงินบ้างอะไรบ้างไปทิ่การเงนแับนั้นใช่มากกว่านั่ ง, งเฉยๆไม่ค่อยมีใครทีการใช่นั่งจนตายก็ไม่ค่อยมีเอ <c oughs> กบันไดเ น, น, นี่ยเนาะ <c oughs> ท่ <c oughs> ทพระเจ้าจัรลุนท่ทก็ทรงประทับตั้งแต่หกโมงถึงสวาง่างก็ท่านก็ไม่ได้ีการ <c oughs> ยามล้ท่านก็ดูตัวอย่างถ้าอาจารย์เป็นไรเระพรามันนั่งมาที่ พี่เลนมันหลอกเราอี่เลนมันหลอกเราหลอกให้เลัวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นนั่นเป็นนี่โขึ้นมาเขาบอกต้องไม่เชื่อต้องไม่เชื่อเวลาไปปีนป่ายปีนเขาไปหาความสนุกเล่นนู่นเล่นนี่มันไม่เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวไม่เคยบอกเราไม่เคยห้ามเลยแม้แต่เลยแต่พอจะให้นั่งสมาธิเอาละก็เดี๋ยวจะเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมา เวลาไปสุขสนามมันไม่เคยเห็นห้ามเราเลยนะว่ามันไม่ดีส่งเสริมเราตลอดอ <c oughs> ต้องมีแรงห้งมีแรงนี่ <c oughs> จะเก็บกับปวดจะเอาความดีก <c oughs> ็้น่อยมันจะไม่ได้ถ้าถ้าอยากจะอยู่ใกล้หลวงตาก็เปิดธรรมเอานนั่นฟังไป องค์ท่านไม่ได้อยู่ที่ทรรองค์ที่ตอยู่ที่ธรรมะของท่านแลยเฉพา ะ, ะสมัยนี้เราโชคดีมีบันทึกเสียงมีบันทึกภาพ แ, แล้วก็เหมือนว่าท่านไม่ได้จากออกไปแล้วท่านจากแต่ตัวแทนของท่านเครื่องมือของท่านนั้นเองก็คือร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนไมโครโฟนเป็นเหมือนเครื่องขางยายเสียงอง ไม่มีร่างกายแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะอส่งเสียงมาให้พวกเราได้เราก็ต้องอาศัยของเก่าที่ได้ได้บันทึกเอาไว้ซึ่งก็เหมือนกันน่ะท่านสมมุติถ้าท่านอยู่วันนี้ท่านก็พูดเรื่องเดียวกันที่ท่านเคยพูดมาตั้งแต่ท่านเริ่มเทศสั่งสอนญาติโยมมาตลอดระยะเวลากี่ปีนี้ท่านก็พูดเรื่องเก่านี่แหละไม่มีอะไรใหม่แล้วไม่เลื่ออะอรไม่เบอะไรจริง ถ้าถึงซีดีแล้วนึกถึงท่านจัญานเราคิดมีบุคุท่านอิงคุณคุณเรื่องนี้มากท่านทำให้เราคนลูกหลังได้ฟังอท่านจตุจัญญามีอีกตั้งสามพันกันที่ยังไม่ได้ถอดนะคะทับหลวงพ่อทุ่นท่านอยากเสรมมาเถอะยังมีอื่นอื่นออที่ยังเป็นเทปใหญ่ๆสมัยท่านจตุจัญาที่วัดอีกลูกต้องมันจะมีช่วงช่วงแรกที่ท่้นมาเสริมธรรมตอนนั้นลูกไปแล้ว แล้วก็บันทึกบันทึกไว้ตอนเช้าท่านก็พูด ก, กับคารว่าแต่ดีค่ะตอนนี้พอดีมันเป็นชัดเสร็จแล้วลูกก็ไม่ได้เล่นหมดไม่ใช่รใรตรงนึงพอพอเราเป็นใสซสีดีลูกก็เอออีตรง น, นั้นก็เลยให้คนอื่นไป็นเพื่อนเพราะตอนนี้สุ่มเฟือยใช่ไหมคือแต่เขายังไม่ได้แต่งเป็นดิจิตอลใช่ไหมแปลงบ้างไม่แ ป, ปลงบ้างไม่แปลงบ้างทําไม่ทันทำไม่หมดเนี่ย มันไม่ทันเพราะท่านพูดทุกวันเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี้เราก็โง่เด็กดิเขยังโง่อยู่นะแต่ทำไม่พว่าเออเขาก็ไม่ได้เก็บมาผมตอนนี้ยกไปวัดอยู่หลวาพ่อทูลขอรวบรวมขอรวบรวมหลวงพ่อท่านจะชำระคะไม่จะชาระของท่านแต่ว่าจะเอาคัดว่าเข้ามันไม่ดีท่านก็บัิจุไว้ในเจดีที่วัดค่ะแต่ว่าจะทาไม่ให้ดีค่ะ เลยท่านเลยให้พวกลูกทํากันบ้านดีมากนะกัรบ้านที่ท่านทำนี้เพราไม่เราทบทวนต้องตั้งใจคือเมื่อก่อนก็ฟั ง, ฟงไปเรื่อยเพราะบางทําสมาธิก็ฟังไปก็ไม่ได้เหมือนพออันนี้ต้องต้องฟังต้งอ่นต้องวดใบหบทเลย <c> ัง <oughs> จะได้เยอ ะ, นะเนี่ยก็แกทําปฏิปทาทั้งเรื่้ยได้เลยจะ ไ, ได้เยอะ แต่บอกอันนี้ถ้าตายก็ว่ามันลงถี่เอมอมันทัดเลยใช่แล้วมันพระมันมองไม่ไเป็นธรรคเยอะแตท่านจะจะพิมห์หมคะหรือจะไม่แน่ใจคงไม่ตแน่พิมเพราะว่าขอท่านบรญญาตก็พิมพิมแล้วที่ทํานี่ก็เพื่อเพื่อพระเยร์มันเขาขอมาถ้าเยร์มันเขากาลังแปลภาษายเยรมันแล้วเขาอยากจะได้ของอาตมาไปไป ไปเปรียบเทียบดูมั้งเปรียบเทียบเขากับของท่านตัญญาเขาจะได้แปลตรงนี้อวตารจะช่วยให้การแปลของเขารวดเร็วขึ้นสำหรับเราก็อยากจะให้อยากจะให้คุณยาดาช่วยช่วยแปลไฟล์เป็น tds ให้หน่อยเลยที่เขาทามานี่แต่ว่าเห็นบอกว่าอยากให้ท่านตรวจซะก่อนเราคงไม่ค่อยมีเวลาที่จะตรวจและเอี่ยแล้วก็้าที่อ่านข้าวขาก็ดูว่าใช้ได้น หอเขาเชิญทาเป็นไฟล์ PDF แล้วเราจะได้เอาเข้าไปใส่ไวใกก้ในเว็บเพื่อนักกาจะคือมันก็เหมือนหมนของท่บบรรานปัญญาก็เหมือนกันแหละไม่ต่างกันท่านปัญญาท่านก็เขียนภาษาจะดีกว่ใที่ได้ทำไปทีนี้ของเราก็อยากจะเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่าก็อย เงยมาก็ยังกระดาษกะดาษมันก็จะเก่าไปเรื่อยแล้วก็ดีประกอบกับพายอมริกั น, นเขาเขาอยากจะได้เป็นเป็นเป็นดิจิตอลก็เลยโชคดีที่มีคุณยาดาเขาช่วยทําได้ก็เลยให้ให้ช่วยทำาห้ถ้าที่หาช่วงต้นๆก็นูวก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็คิดว่าคงยังไม่ไม่ไม่ไม จะมีน้องๆในกลุ่มช่วยนพิมพ์ค่ะทั้งต้องต้องบอกเขาช่วยพิมพ์เยวหลายคนเพราะไม่งั้นเราจะออกมาถึงตรงนี้ก็แทบตายค่ะหมายถึงพิมพ์ใหม่คือถ่ายออกมาแล้วก็มาพิมพ์ไม่งั้นมันบันทันทีค่ะพอาะเขาไปช่วยนพิมพ์จะมาดูชั้งตรวจคนตรวจสุดท้ายก็หนื่อแต่ว่าพวกมือทำเยอะมา ถ้าถ้าแปลงเป็น PDF ย้ายก็ดีเพราะว่าถ้านี้ถ้าถ้าให้เขาดาวน์โหลดไปนิ่เดียวกลัวเขาไปเปลี่ยนบางเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนได้มันเป็นอันนี้อันอันของท่านรักภพสามกันแล้วกล่าวความเมตตาพิมพ์จุลนาครับก็ส่งมาที่นช่ยังไม่ได้ถอดถอดมาแล้วยัง ที <r ond> ่สองยังพเศษไปช่วยมัวแต่ไปช่วยอะไรเศาเนี่ยฟังของหลวงตาด้วยไม่เยอก็ไม่เวลาก็อยู่ที่อองมาเร็วก็ทาเรยช้าคืออยู่ค่อยๆคิดคดีกันงานจะได้ไม่แน่นพดั้นมากเป็นข้ราะท่านกอยู มีปัญหาจะไปแล้วนีถามให้หมดติดเรื่องนี้ค่ะติดเรื่องเรื่องทุกการพัฒนาเลยคังต้องสุกสติให้มากตไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะแต่เวลาที่เรานั่งอย่างนี้เราต้องถือว่าทุกเวลาที่เราทํำอะไรเหมือนกับเราเดินวงกลมการกระทำอะไรต่างๆนี้ก็เหมือนกับการเดินวงกลมดูดีๆนี่ให้เรามีสติอยู่กับการกระทําของเรา ถ้าสรุปว่าาทําอะไรนี้เดินเข้าไปเกิดแก่เจ็บตายก็เป็นการเจริญสติได้ได้อย่าง่ไหมคะถือว่าปลุใจไม่ให้คิศทุ่งสร้างไม่ให้ไปรอไปที่อื่นลูกกาลังปักปักโพสต์พิสูจนของสมเด็จพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านประกาศตอนที่ท่านเทศนาประถมเทศนาครั้งแรกกับเป็นจุฬาคีร์นะครขนาที่ปักไปก็ พอไปเกิดแก่เจตตาความคิงความคิดนะแต่จะอยู่สักประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับจะรู้สึกเหนื่เหนื่อยมากคนเหนยก็หยุดหยุดกระดูงานที่เราทำอยู่กับงานที่เราทํำก็ได้ให้รู้ว่าเรากาลังทําอะไรตอนนีงแสดงว่าถ้าเหนื่อยแสดงว่าจิตมันมันมันมันจะสงบแล้วมันไม่อยากจะคิดแล้วที่เราคิดนี้เพื่อกันนะมเไปคิดเรื่องอื่นตอนมันไม่คิดเรื่องอืแล้วก็ไม่ต้องแล้ก็ไม่ต้องใช้มัน่ะ ถ้ามันสักแต่ว่ารู้รู้ยุ่อยู่กับงานเราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปท่องเลยแต่ถ้ามันไม่ยอมอยู่กับงานเราทําไปมันก็ยังคิดว่าจะทำเรื่องนี้เรื่องนึงเราก็ต้องดึงเงนกลับด้วยด้วยการบริการอย่างไรอย่างเกิดแต่เจ็บตายอาการสาสิบสองก็ได้ผมขนเลือกฟันหุ้มเลนกันดุให้ดึงเอาไว้อย่าไปคิดเรื่องแล้แล้วแผนทิ่ตัดนั้นนะคะ เศษหนึ่งส่วนสี่นี่คนที่เขาช่วยปักที่แรกเขาตายไปแล้วกระสั่นเขาเป็นมะเร็งตายก็ทุกครั้งที่ปักคุณเลือดถึงย <Yeah. S 1> าสับส mm hmm. ีลูกลูกพระกุทธเจ้าที่ที่ปักเลย น, นะคะเพ mm hmm. ิ่งเศษหึงส่วนสี่ที่ปักเน mm ี hmm. ่ยเพื่อนเป็นคนเดินมาเขาเป็นโรคมะเร็ง แล้วเขาก็บ<ๆ>อกว่าเขาฟ้องเขาเลงทำสมาธิสุดเขาเคยไปหัดเรียนทําสมาธิกับโยคะนะคะเขาบอกเขาไม่ค่อยชอบทําสมาธิแต่เขา<ๆ>เขาชอบปักก็เลยเอาลูกเนี่ยแ้ก็ปักพ่อเขาตักไปได้สักเศษหนึ่งชิ้นะคะ้วค่สะพ่อก็เสียใจที่แรกเขบอกว่าเขาจะไม่คืนจนกว่าลูกจะเสร็จแต่ลูกหลามมากนะค ะ, ะ, คะคตักปักคอสตินเป็นเล็กๆค่ะพ่อเสียหนึ่งชิ้น เขาก็เสียค่ะทุกครั้งที่ลูกากขึ้นมานี่ดิ้นอายุเสียเกิดแกจะตายตายคนที่ปักเสียตายแล้วลูกที่จะอยู่ปักเสียงไปตาก็ยังเียนั่นแหละคิดถูกแล้วแหละคิดอย่างงั้นจะได้เมตมาจตได้ดีทากิจที่ต้องต้องทากิจที่ไม่ทาก็ปล่อย เ, เนี่ยเราเรียนที่พูดถึงงานของตาเนี่เราเคคิดถึงว่ามันจะย้อนกลับมาแล้วเคยย้อนกลับมาที่ตัวเรากันบ้างเขาเปล่าลว่าเราก็จะต้องไปนอนอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้เมื่อไหร่เรายังจะอยู่แบบเดิมๆเรื่องว่าเราจะรีบ <c oughs> เล่นความเพียงนี่ภาวนาาท่านตั้งถามยังห่วงยังห่วงอะไรอยู่เลย ทางเ ท, ทือกท่านเทือกทางอยังห่วงยังห่วงอะไรอยู่เลยเอาไปไม่ได้นะแล้วก็ห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้เรามีหน้าที่ปล่อยวางเพื่อดับความทุกข์ใจนั่นแหละที่ปฏิบัติตรงนี้เพื่อเพื่อทําใจให้เป็นกลางได้ตลอดเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามกับเราก็ดีกับร่างกายเราก็ดีกับสิ่งที่เรารักก็ดีเราต้องเฉยได้หรื ว, ว่าเป็นธรรมดามีมาย่อมมีไปเป็นธรรมดามีเกิดย่อมมีดับเป็นธรรมดาเหตุพวกเราก็ต้องทิ้งสังขารร่างกายนี้ไปทุกคน ตาเป็นดินน้าลมไฟไปไม่มีอะไรไม่ใช่ตัวเราของเราความตายมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือความเจ็บที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความความพัดผาจากร่างกายนี้ไปที่เราทุกข์กันมากแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเพลงดินน้ำลมไฟมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็จะลดความความกลัว ความทุกข์ไปได้ส่วนควาเกลียดถ้าเรารู้จักควบคุมใจของเราไม่ให้ไปกังวลไม่ไปยุ่งกับความเกลียดปลความเก็บให้เขาเป็นไปตามตา ม, ตามเรื่องของเขาเราทําใจให้นิ่งให้สงบอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นปัญหาห <c oughs> น้าที่ของเราอยู่ที่การดูแลใจเราอย่างอื่นเราดูแลไม่ได้เราดูแลรักษา ได้ในระดับหนึ่งพอถึงเวลาถึงที่เขาจะไม่ให้เราดูแลรักษาเราก็ไปทำอย่างนั้นไม่ได้ของของใครก็ตามของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนกันหมดถึงเวลาที่เขาจะ <c oughs> เป็นตัวของเขาเองตอนนี้เขาเป็นตัวเราเขาให้เราเป็นตัวเรา แต่ต่อไปเขาจะเป็นตัวเขาบ้างเขาจะเป็นดินน้ลาลมไฟล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะแยกออกจากกันพยายามภาวนานเยอะทําสมาธิเยอะๆเวลาไม่ได้นั่งสมาธิก็จเจริญสติเดินโยงกลมก็ได้หรือทํากิจกรรมต่างๆทําหน้าที่อะไรก็ทําไปด้วยการมีสติ คุบความคิดอยู่ไว้ให้คิดให้น้อยที่สุดหรือถ้ามันจะคิดก้มันคิดบรนาทางธรรมคิดว่าเกิดแก่เจ็บตายมินนะ้ำมีไฟคิดไปอย่างนี้แนละ้วก็มันก็จะไม่ว่าวุ่นขนบัวมันก็จะเย็นแล้วมันก็จะรับกับความเจ็บของร่างกายได้ร่างกายมันจะเจ็บก็รู้ว่าเจ็บ แต่เจ็บเพียงครึ่งเดียวเจ็บเจ็บที่กายแต่ไม่ได้เจ็บที่ใจใจก็เฉยๆเหมือนได้ยินเสียงเสียงจะดังเสียงจะค่อยมันก็มันไม่กป็นปั่หาถ้าเราไม่ไปมีอารมณ์กับเขาเสียงถึงแม้จะค่อยแต่ถ้าเราไม่ชอบนี่มันก็บาดใจเราได้เป็นเสียงนินทาพูดค่อย กรซกระซบพอจะยินมันบาทใจได้มันมันมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันดังหรือเสียงเสียงดังหรือเสียงค่อยหรือเวทนาเจ็บมากหรือเจ็บน้อยมันอยู่ที่ใจเราไปมีอารมณ์กับเขาต่างหากพอเราไปมีอารมณ์แล้วแม้แต่ความเจ็บเพียงเล็กนิดเดียวก็รับไม่ได้นั้นเราต้องพยายามฝึก นั่งแล้วให้มันเจ็บอย่าไปกลัวแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บของมันไปเรื่อยๆหาดอยู่กับความเจ็บด้วยการทำใจให้สง บ, บให้อยู่กับพุโทโธให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือให้ใช้ปัญญาว่ามันเป็นธรรมสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพบในชีวิตของเรา จากใดที่เรามีร่างกายนีย้ยู่มันก็จะต้องพบกับความเจ็บแบบนี้อยู่ไปถ้ายอมรับความเจ็บแบบนี้แล้วมันก็จะทําให้ความเจ็บทางใจนี้มันมันเบาบางลงไปเนื้อไม่มีเลยถ้าปล่อยวางได้เป็นที่มันก็จะเฉยมันไมน่ไม่เป็นปัญหาเจ็บก็เจ็บไป คือใจเราแม่กระับกระสายแล้วใช่เป็นร่องกาเนแม่กระับกระสายแล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไนะมันจะนิ่งได้ก็าลองอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาท่นั้นเองทํามสามทาที่สามขันก็มีสารตัวนี้สติสมาธิปัญญาเป็นองประกอบของของพลังจิตเรามีอีกสองก็มีศรัทธาแล้วก็วิิยะ ศรัทธาก็เชื่อว่าการปฏิบัติแนวแนวนี้เป็นป แ, แนวทาง ท, ที่ถูกแล้วที่ถูกต้องวิริยะก็ขอให้ขยันขยันเจริญสติงานพื้นพื้นก็คืองานสติเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยแาะว่าสตินี่มีความสำคัญอยู่ในทุกกรณีมีความจำเป็นในทุกกรณีไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีสติคอยตกบงใจย อ, อยู่ตลอดเวลา เมื่อมีสติแล้วใจก็จะนิ่งเป็นสมาธิพอใจนิ่งมปนสมาธิพอพิจารณาประทางปัญญาก็จะเข้าใจจะเห็นอริยสัจทันทีจะเห็นว่าความคิดนี้เป็นสมุทยัยหรืเป็นมรถ้าเป็นสมุทัยก็ละได้ทันทีเนี่ยมันเป็นไปนทำได้เกี่ยวเนื่องกันสตินี้ต้องมาก่อน พ อ, อ, อได้สติแล้วก็จะได้สมาธิแล้วก็จะได้ปัญญาตามลำดับต่อไปแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะคือสตินันก็เป็นส่วนสติสมาธิก็เป็นสมาธิใ น, นเวลาเราจะเริยนสติเราทำอะไรเดินน้กลมเรามีสตินี้มันก็ยังไม่ได้เป็นสมาธิเต็มที่จะได้สมาธิเต็มที่ก็ต้องไปนั่งสับตานั่งขัดสมาธิทนะคือทำต้องให้กายนิ่ง ต้องไม่ทำอะไรเลยแล้วเราก็มีสติคุมใจให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรนอกจากอยู่กับการบริกรรมและอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนกว่ามันจะรวมลงมเป็นสมาธิขั้นต่างๆไปเ ป, เป็นชา้นขั้นต่างๆไปอันนั้น่ะที่เรียกว่าเป็นสมาธิอันนั้นมันจะนิ่งจริงๆแล้วพอพอได้สมาธิแล้วก็ไม่นานมาคราวว่าจะเกิดปัญญาขึ้นทันที ปัญญาจะเกิดว่าต่อเมื่อเราพิจารณาไใจรักเราก็ต้องพิจารณาใจรักในสภาวะธรรม ท, ทั้งหมดเรื่มต้นจากสิ่งภายนอกก่อนก็ได้สิ่งที่เรายังติดพันอยู่เช่นรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นสภาวะธรรมเป็นทุกข์เพราะว่ามันมันทําให้เราติดเหมือนติดยาเสพติดเวลาเราไม่ได้สัมผัสเวลาเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเราก็จะไม่ไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์เราก็ต้องปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อดูได้ฟังได้แต่อย่าไปสรรหาอย่าไปแสวงหามันใ ห, ให้มันมาตามธรรมชาติของมันเรามีตาเราเห็นอะไรก็เห็นไปแต่อย่าไป ม, มีความอยากที่จะเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนี้นี้ได้ยิน เสียงนั้นเสียงนี้แต่อยากจะดมกลิ่นนิ่มรดอย่างนั้นอย่างนี้มีได้รับสัมผัสรับรู้ได้แต่อย่าไปสัมผัสรับรู้ที่เกิดจากความอยากเช่เวลารับประทานอาหารก็มีอะไรก็รับประทานไปแต่อย่าไปอยากว่าต้องเป็นอาหารรสชนิดนั้นกลิ่นชนิดนี้ไม่ต้องมีอะไรมาก็รับประทานเพราะเราไม่ได้รับประทานเพื่อเพื่อลูบเสียงกลิ่นรสล้วรับประทานเพื่อ เพื่อเป็นยารักษาร่างกายนะครับความหิวที่มีภายในร่างกายคือทำใจให้ปล่อยวางพอเราปล่อยวางรูปสิ่งกิริยได้แล้วก็จะไม่มีตัณหาความอยากจะไม่มีการมาตัณหาไม่ได้อยากดูอยากฟังอะไรแต่มีดูก็ดูได้มีอะไรฟังก็ฟังได้มีอะไรรับประทานก็รับประทานได้ แต่ไม่ได้อยู่อยู่ดีๆนั่งอยู่เฉยก็คิดว่าก็อยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่ขึ้นมาต้องตัดความอยากอยากภายนอกก่อนอยากในรูปเสียงกินรสอยากในลาบนโยต์สรเสริญพอเราตัดสิ่งภายนอกได้แล้วเราก็ต้องเข้ามาตัดที่สิ่งที่ใกล้ใกล้ตัวเราขึ้นมาก็คือขันห้าเริ่มตอนที่รูปประขันก็ร่างกาย ร่างกายัของเราและของผู้อื่นเราก็ต้องพิจารณาถ้าเราชอบความสวยงามของร่างกายของผู้อื่นเราก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของเขาเพราะทุกคนมีมีส่วนที่ไม่สวยงามอยู่ด้วยกันทุกคนแต่เราไม่ค่อยมองกันเราชอบมองในส่วนที่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามเราไม่เห็นแต่ถ้าเราเห็นทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามแล้วความชอบในร่างกายของคนนั้นก็จะ ก็จะหาให้ไ่เราก็จะไม่มีปัญหาความอยากที่จะอยากอยู่อยู่ใกล้เขาอยากจะหาความสุขจากร่างกายของเขาเล้วเรามาพิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายของเราร่างกายนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นพิจารณาจนะทั่ยอมรับความจริงปล่อยวางไม่ขืนความจริง แห่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายท่นี้เรื่องของร่างกายมันก็จะหมดปัญหาไปพิจารณาสุภาพในรูปแบบไหนก็ได้รูปอาการสามสิบสองก็ได้หรือดูซากศพก็ได้คนเราเวลาตายไปแล้วเป็นยังไงน่ารักไหมสวยงามไหมดูว่าเป็นธาตุสี่ตายไปแล้วเป็นยังไงเผาไปแล้วเหลืออะไรก็เหลือแต่ดินที่เท่า มันก็มีท่นเนี้ยร่างกายตัวเราที่ตรงไหนมันไม่มีตัวเราเหรอกมนร่างกายเราไปสมมุติมันขึ้นมาเองเห <c oughs> มืกับเราสมมติของต่างๆที่เราได้มาครอบครองแล้วว่าเป็นของเราหมดเนี่ยได้บ้านเกาบ้านของเราได้รถ้าเป็นรถของเราได้อะไรก็เป็นของเราอยู่ทริงๆมันไม่ได้เป็นของเราโ ด, โดยแท้จริงหรอกเราไปสมมุติขึ้นมาเอง พิจารณานี้แล้วก็พอเห็นเห็นเห็ใจรักแล้วมันก็จะปล่อยวางได้เพราะถ้าไปชอบไปไปอยากได้มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเฉยๆอยากได้ก็ไม่อยากไม่อยากได้ก็ไม่อยากมันมันอยู่กึ่งกลางถ้าใครให้มาใช้ได้ก็เอาไปก่อไปใช้รําได้ก็ใช้ได้แต่เวลาไม่มีก็ไม่คิดอยากจะได้หรือเวลามีก็ไม่ได้คิดอยากจะ อยากจะหนีจากมันไปถ้าต้องอยู่กับมันก็อยู่กับมันไปเช่นบางคนเวลาร่างกายไม่ดีแล้วเป็นอมาะพฤกษ์องพก็อยากจะหนีจากร่างกายนี้ไปก็ก็ข่าตัวตายอย่างนี้อย่างนี้ก็ก็เป็นกิเลยเป็นความอยากแบบเมื่ยังมันยังอยู่กับเรามันจะเป็นไงก็ต้องอยู่กับมันไปมันเจ็บ่ายได้ป่วยเมื่อมันยังไม่อยู่ท้ายใจก็ต้องอยู่กับมันไปอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะอยู่ท้ายใจ แล้วก็อยู่แบบรับรู้เฉยๆนั่นเองใจเป็นกลางอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียว่ัความเจ็บปวดของร่างกายก็เหมันก็มีเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างสลับกันไปเวลาเจ็บก็เหมือนกับไม่เจ็บ่ถ้าไม่เจ็บก็เหมือนกับเจ็บคิดอย่างนั้นนะก็อยู่กังมันได้นี่คือเรื่องของปัญญานะแี่เรื่ันต้องทำสลับกับสมาธิ เวลาพิจารณามากๆแล้วจิตมันก็จะเหนื่อยนีืจะพุ้งขึ้นมาก็หยุดแล้วก็กลับเข้าไปตามสมาธิใหม่เพราะเวลาจิตฟุ้งนี่แสดงว่ากิเลสมันจะเริ่มมารบ ก, กวนละกิเลสมันจะมารบ ก, กวนมันจะทำให้เราพิจารณาไม่ไม่เห็นไม่เห็นความจริงจะเกิดความหวงความเสียดายขึ้นมาความอยากต่างๆขึ้นมาก็ต้องกลับไปพักในสมาธิทางจิตให้สงบ เวลาจิตสงบก็อย่าพิจรารณาให้นิ่งให้นานที่สุดเป็นเวลาพักผ่อนของจิตการเข้าสมาธินี่เพื่อหยุดความคิดตรงแต่งบางคนคิดว่าพอจิตรวมลงเป็นความสงบแล้นจะเริ่มพิจรารณาอะไรอันนี้ไม่ใช่ต้องรอให้จิตออกจากการสงบอยากอยากความนิ่งก่อนอยู่ในนั้นนิ่งเท่าไหร่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปล่อยมันนิ่งไปกรรมการมันจะถอนออกมาแล้วเริ่มมีความคิดปรุงแต่งอันแล้ว พอเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอามาคิดทางด้านตายรักต่อเพิจารณากับงานที่เรากำลังติดพันอยู่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักอาวิทนาวนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะมีอยู่สาแบบมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กเขาก็ห ม, มุนไปเวียนมาเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกมีกลางวันมีกลางคืนเราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมเราไม่มีอคติต่อกลางวันหรือกลางคืนนี่ให้เลย แต่ทำไมเราไม่มีอคติกับทุกแล้วก็สุขวเวลาสุขก็ดีใจวเวลาทุกข์ก็เสียใจวเวลาเจ็ดก็ไม่ชอบเกลียดกลัวเวลาสุขก็โหยหวงอยากให้มีสุขไป น, นานๆมันกับมันนี่เรีกว่าเป็อคติเหละมีมีรักมีชังมีกลัวมีหลงต้องเฉยเหมือนกับเราเฉยกับ ฝนตกแดดออกฝนตกแล้วก็ไม่ได้ดีใจเสียใจฝนหยุดตกแล้วก็ไม่ได้ดีใจเสียใจเราก็อยู่กับเขาได้ทวางเจ็บของร่างกายเราก็อยู่กับมันได้ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็ไม่ไม่มานกกลัวใจเพราะไม่มีไม่มีตัณหาไม่มีเภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเท่านั้นแ่ะปฏิบัติทั้งหมดนี้เพื่อให้เจอตัวนี้ให้เห็นตัวนี้ เห็นตัวเพราะว่าตังหากทเ่ภาวะต่างหากกรรมตัาหากเห็นว่าพอตัวนี้เกิดขึ้นแบบรั บ, บ ป, ว ป, วปวดแล้วดปวดร้าวทรมานใจเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ตัวอื่นห่ะอย่างอื่นเขาเป็นเขาเขาเป็นของเขาเอางนั่นแหละไม่เป็นปัญหาอะไรไอ้ตัวที่เป็นปัญหาคือตัวปัญหานี้เองเพรนันพอพอรู้แล้วต่อไปแล้วก็จะไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆคือเขามา ก็ปล่อยเขามาเขาไปเขาปล่อยเขาไปไม่ใช่เขามาถ้าไม่ชอบก็พยายามที่จะหนีเขาหรือไล่เขาไปไม่ใช่ก็อยู่กับเขาไปเวลาทุกเวทนาความเจ็บของร่งการมาก็อยู่กับมันไปตัวเวทนาไม่ได้เป็นปัญหาตัวเวตตัวเป็นปัญหาคือตัวตัณหานี่เองตัวภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามะตัณหาตัวนี้ตัณหาที่เป็นปัญหา ปฏิบัติไปนี้เสร็มันต้องเข้าไปถึงถึงข้อระยะสักสิเพราะทุกนี้ก็เป็นหนึ่งในของหนึ่งในไตรลักษณ์เรามักจะเห็นห น, น, น้าลิจังเราเห็นกันมันเปลี่ยนแปลงเห็นแต่เรามักจะไม่เห็นทุกทุกที่เกิดจากที่เราไปไปมีความอยากที่จะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมแต่เราสุขนี้เราก็ไม่อยากจะให้มันหายไป ความอยากไม่ให้มันหานี่ก็เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจแตถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจว่าเดี๋ยวมันก็ต้องไปแล้วก็แล้วก็พร้อมที่จะรับการไปของเขาก็จะไม่เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเน้นการบรรลุธรรมจริงๆมันบรษย์ที่อริยสัจสี่นี่นแหละบรรลุที่ทุกขสมุทัยนี่รอดมาก ถ้ามักทำทางานเต็มที่มันจะเห็นทุกแหนสมุทัยแล้วมันก็จะละสมุทัยได้ทุกก็จะดับได้มันก็เป็ น, นโรงขึ้นมักก็คือปัญญาที่พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักเป็นนัตตาเป็นพภาวมณ์ธรมที่เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เท่านั้นเองทุกทุกอย่างมันลงที่สัพเพมานัตตาทุกอย่างเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ แต่พวกเราชอบสั่งมันฮะในตลาดเวลาสั่งใมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนีงค้ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งไม่ไปสั่งใครในวัดเนี่ยท่านจะถอนถอนกําหนดถอน ถ, ถอยออกหมดไม่ไปสั่งใครถ้าอยากจะทำอะไรก็ทำไป <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟมันเดี๋ยวฐานมันหมดไฟมันก็ดับเไอไงแต่ตอบคนถามอันนี้มีคนถามเยอะว่าทําไมท่านน่ตสนใจถึงไหม <c oughs> ท่านก็มองว่าสัพเพธรรมานัสตาทำอะไรไม่ได้ฟังกันที่ลวงตาพูดทุ ก, กอย่างนี้ขับกันสัพเพธรรมานัสตาอย่างมันจะลงตรงนั้นถ้ามันเห็นตรงนั้นแล้วมันก็จะปล่อยนั่นกายก็เป็นสัพเพธรรมานะสตาเวทนานก็สัพเพธรรมานัสตา ความสุขความสายความสว่างในจิตมันก็เป็นของเบธามานาตามันไม่ทิ้งมันเป็นสมมุติเพราะปล่อยบมดแ้วมันก็เหลือแต่ของที่ไม่ใช่เป็นสมมุติอันนี้มันไม่มีวางเปลี่ยนแต่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่กลับไม่ดับอันนี้จะเป็นกติณีทั้ทง <c oughs> ระวังไว้ก่าเนะของฉันระวางไว้ค่ะเดี๋ยวจะฉันดิวางวางวางวางวางนี่จะแบบห้นะคะไม่ติดลูกไู้ผม้นอะไลพกต่วที่ไปทาบุญกับหลวงพ่อเขาเมื่อจะใช้สิษย์กับใช้ลกของท่านเอาไปใช้ส่วนตัวงลูกลก มืดจารู้สึกว่าทาไมเขาทาบุญเขาาก็รวยนะคะทาบุญเก่งมากรู้สึกเอดีใจนะเห็นเขามาทาบุญก็ถือเป็นอย่างที่ดีแต่เขเห็นกิจกรรมเขารู้สึกเฮ้ยมันรับไปได้ไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่กิจกรรมปัญหาอยู่ที่เราทำไมเราไม่ปล่อยเขาทำไมเราไปยึดเราไปเนี่ยเพื่อว่าตายโอ้ยรูกจริงๆรเลยตรงนเราทำรายได้หรือเปล่าใช่ไหมก็ แต่ละคนคนเราแต่ละคนก็มีกิเลสต่างต่างไปการกระทำนี้มันก็จะขัดกับความรู้สึกของทุก็น่่เเาราเจอไม่ได้เราไม่มีโอเบช้ง่ายรู้รู้แล้วว่าลูกสอบตกตอนนี้ ท่านอาจารย์นั่งฟังทไมเวลาท่านอาจารย์ทำไมมันรู้สึกมันง่ายง่ายแล้วกนอาจารย์ก็ไปทง่ายอะไรอย่างเงี้ย่นอาจารย์เองไ ม, มยากอ๋อมันก็เหมือนเวล า, าเราหัดพิมบินใหม่ๆเห็นคนคนที่ก็พิมพ์เป็นแล้วของท่างก็พิมพ์ง่ายเหลือเกินแต่เรานี้มาจิ้มทีเดตัวจิมทีเตัวเพราะเรายังไม่เราไม่ได้ฝึกขัดคิดในทาง เราจะคิดไปในทางทางการหาอยู่ตลอดเวลาทำไรก็อยากทําตามความอยากของเราอย่างที่เมื่อกี้มาพูดนี้ก็เรื่องของความอยากของเราเราอยากจะให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเขาเขาเขาเพลเป็นอย่างนั้นทุกมันก็เลยเกิดที่ใจเราแล้วก็เกิดที่ใจเราเพื่อปฏติเราไม่เคยมองเข้าใจเราเราชอบไปมองข้างนอกด่าความอยากของเราไปกระทับตาไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามอง นี่เราต้องใช้ปัญญาเราต้องเอาเอาธรรมะไปประทับที่ขาว่าเขาอนัตตานัตานตาเ็นการจริงเหรอจหตการจริงนี้เราจอการจริงนี้เราปั๊บหลบกลับไปเฮ้ยทำไมเราตกรู้สไปไม่ทันสติเราไม่อยู่ขนาดตานนั้นกถึงข้าจเลยนะว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้นะยังยังู้อสกประ ไม่ทันรเลยปกติไม่ทันมันนะอย่างนี้ฮะจริงจริงพี่จันสอนให้พี่นาเรื่องของผู้ขังวิจังรตา์เนีต้องซ้อมทําบ่อยๆก่อนต้องทํำกันบ้านะพี่จันสอนให้พี่นาเรื่องของผู้ขังวิจังรตาเนี่ยก็รู้ด้วยสัญญาณที่ฟังมาท่าาจารย์แต่เวลาจะทําจริงๆเนี่ยพี่นาไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะว่า สติหร we ืเป็นสมาธิเรายังไม่มีพอใช่ไหมกำลังมันไม่กําลังจะดึงให้เข้าเข้าทางมากใช่มันถูกกิเลสลากไปทางใช่ว่าพี่นาไปชักหนึ่งแล้วก็มันมักซ้อนเราอีกละพี่นาไปชักหนึ่งก็ซ้อนเข้ามาอีกละเองต้องมีสติกับสมาธิให้มากถ้าถึงปัญญาถึงจะดึงเข้ามาทางปัญญาเรารู้ที่สัญญาเรารู้จากที่ท่านการสอนในการไปทำจริงเวลาทำสมาธินี่ถ้ากายเกิดขึ้นจะเป็นกระดูกเป็นอยะไรนี้ให้ดูทํำไปพิจารณาการเดินปัญญาได้เลย หรือวจะให้รอก่อนมันขึ้นมันนิดๆขึ้นมาค่ะท่านขึ้นทำสมาธิเนี่ยโดยหลักก็อยากจะให้มันให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันเป็นเดชคาหาสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นเป็นเป็นธรรมะปรากฏขึ้นมาให้เห็นเราเราสามารถน้อมให้มันเกิดเป็นปัญญาได้ก็น้อมเข้ามาได้ถ้าเรามองถ้าเห็นเป็นอสุภะเห็นว่าเป็นไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี้ก็ ก็ได้ก็ใช้ใช้ภาพนี้เป็นเหมือนกับเป็นปัญญาออกเป็นสมาธิไปเข้าใด้วโดยที่สุดเป้าหมายก็คือต้องการให้มันสงบนิ่งอยู่ดีสงบนิ่งเพื่อให้มึงกำลังที่เจ็บดึงให้รามาเข้ามาที่ที่ที่ใหเราคิดในทางมาคิดในทางเกิดแก่เกิดตายท่องไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคบ พ อ, อความนิ่งก็คือเหมือนกันดึงดึงกิเลสดึงใจไว้ไงถ้าดึงใจไว้กิเลสก็ไม่สามารถดึงเวลานิ่งนี่งกิเลสไม่มีทางทำอะไรสั่งใจได้แล้วแต่พอออกจากออกจากความนิ่งปั๊มนี้ไม่นานกิเลสมันจะดึงอยู่ลแล้วตอนต้นถ้าออกมาใหม่ๆให้ดึงไปทางธรรมมากก่อนดึงไปให้มากที่สุดเรื่อยๆที่จะในทางธรรมามากมากพอมันเริ่มกิเลสเริ่มมีแรงมันก็จะดึงไปทางกิเลสพอมันดึงไปทางกิเลสแล้วก็กลับเข้ามา สมาธิมัน <creat>. ก็ยังงเวลาที่จรณาทำเล่นคอท่านั่งสมาธิออกออกมาแล้วเนี่ยเวลาพิจารณาทำเล่นครับท okay. ่านลูกก็ท่องไปตามที่ท่านอาจารย์สอนนะคะไม่ได้คิดแตกแยกออกไปที่แสดงว่าปัญญาเรายังไม่พอไม่พอต้องนึกภาพกินะนึกภาพว่าเราต้องเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราทําใจได้หรือเปล่าหรือเราต้องสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบเช่นเจอคนก็ด่าเรานี้เราทําใจได้หรือเปล่า ้ไไาี่ทใจดอันนี้น้็เป็นการทำการบ้านไปก่อนคมกล้าจะไปเจอเหตุการณ์จริงเราเจอเหตุการณ์จริงจะหลุดหรือไม่หลุดถ้าหลุดต้องเรียว่าเหมือนคณมวยชกประสาทตาเก่งพอขึ้นเลยทีก็ยังถูกเขา่ากเ้ยไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรทามันไปเรื่อย เนี่ยส่วนหนที่ที่ได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างหอวงตาเนี่ยดีเพราะว่าท่านเป็นเหมือนคู่คู่โชคบนเวทีจริงๆเวลาไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านเหมือนเราทําการบ้านพอมาทํากิจต่อหน้าท่านเนี่ยโอ้โหมันเหมือนขึ้นเวทีเลยแบบแต่เลยนะตอนนั้นอ่ะมันมันทําให้เรารู้จริงๆว่าสติปัญญามีเมื่อตั้งตอนนี้ท่านมองดูอยู่อดจเวลาท่านดูเราตลอดเวลาเมลาอยู่ต่อหน้าคาดไม่ได้ก็ดีอย่าง อยู่กับเสือบางอยู่กับเสือถ้าสวนตเสือนะอยเราอาจวนมันไม่ได้พอสวดไปปุ๊บเรากเราก็ตาม แต่เพ้อแวเดียวแลเอ๊ะบทนี้สวดผ่านฉันตีหลุดเลยใช่ไห้เอ๊ะทำไมมันหลุดไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้สิตัวไม่รู้สกตัวเลยอ่ะมันมายังไรยัตัวยัวตัวดสวมันมาเหมือนกับเมฆที่ค่อยค่อยลอยเข้ามา มือไม่รู้สึกตัวใชู่้ที่าถามจะได้เยอะแล้วทำวัดเย็นบวชไปทั้งทั้งทั้งท้ที่สวดเสร็จแล้วนะท่านอาจารย์ที่แงนัน้นี้เดมือเราเสร็จตัวแล้วบางทีก็สวดไปด้วยสวดไปด้วยกเสียงด้วยนะคะจายก็เหมือนจายใจก็ไปคิดเรื่องอื่นได้มอราเสร็ตัวเพื่อความละเอียดทุกใจมี้วมออย่าซ้อนมาสอย่างสอย่างใจก็คิดว่าไม่ได้คิดอะไรนะะแต่ว่ามัน ข้ามหมดนี้ตรวจจบไปได้เลยต้องการเท่าไหังก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่บางทีไม่ได้คิดนะบางทีเป็นภาพเออสตินี่สำคัญที่สุดนะต้องพยายามจะเริ่มสร้างสติดึงให้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้ แล้วก็ปัญญาก็ใช้ปล่อยวางปล่อยวางเราไปห้ามก็ไม่ได้ห้ามใจเราได้แต่เราห้ามอย่างอื่นไม่ได้ยามข้อดึงดันใครทำกรรมใดนไนว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั่นไปนั้นเ ความคิดนี่คือคือธาตุธาตุรู้ใี่เหมไม่ความคิดเป็นสังขารเป็นสังขารธาตุรู้นี่เป็นตัวที่ออกที่ความคิดออกมาจากนั้นเป็นต้นเป็นต้นกาเนิดของความคิดธาตุรู้นี้รู้อยู่ตลอดเวลารู้อยู่ตลอดเวลาแต่ความคิดที่มันเกิดออกเกิดทางใช่แต่ตัวรู้รู้ว่ากําลังคิดแล้วก็รู้หยุดคิดอู่ตัวรู้นี่รู้ใช่ไหมแต่ตัวความคิดที่มันอย่างคิดปั๊บมันก็หายไปคิดปั๊บแล้วก็หายไปเป็นเป็นอาการของธาตุรู้ของของธาตุรู้ี่มีอยู่สี่มี มีความคิดมีความรู้สึกมีความจำได้ไหมนี้แล้วการรับรับรับรู้รูปเสียงกลิ่นพที่เข้ามาทางตาหูจมูกมือใช่ตรงนี้เกิดดับเกิดแบบพอเสียงมากระทบกับหูมันก็รับรู้ขึ้นมามันก็พอเสียงหายไปปับ๊บไอ้คําตัวรับรู้ตัวนี้มันก็หายไปด้วยเพราะเล่ห์โสตจับวิญญาณจับขูวิญญาณอะไรแบบ น, น, นี้แต่ตัวรู้คือจิตนี่มันรู้อยู่ตลอดเวลาแล้ว ต, ตัวนี้เป็นผู้รู้ จุดประสงค์ที่สาคัญคัวให้ตัวรู้เนี่ยรู้เฉยเรู้เฉยเเป็นตัวเบรกขาไม่ต้องไปอย่าไปเนื้อคติกับสิ่งที่รับรู้นี่นี่คือจุดจุดคำสอนที่ถ้าปลาวางที่ท่านที่เพื่อไม่ีกามว่าตานหาเพราะวตานหาที่เพาว่ตานหาต้านเองกระจายนะต้องดูข้างในสนามสอบสนามในทั้งหมดอยู่ในใจเราสนามที่แท้จริงอยู่ในใจเราสงคารระวัง ลองทํากับกิเลสอยู่ในใจคือมรรคกับสมุทัยสมุทยัทยก็คือปัญหาต้องการทำก็คือสติปัญญาสมาธิสติปัญญาสมาธินะครับตัวนี้ถ้าตัวนี้มีกําลังมากก็จะดับดับกิเลสได้ดับทุกข์ได้ถากิเลสมีกําลังมากกว่าก็เกิดความทุกข์กขึ้นมาเกิดเครื่องขึ้นมาเกิดปัญหาขึ้นมาตรงนี้นะ เวลาเราพิจารณานี้เราเอาตัวรู้มาพิจารณาแต่ยังไงไม่ต้อาไม่ต้องพิจารณาเราพิจารณาสิ่งที่ถูกสิ่งที่ตัวรู้รู้มารับรู้เช่นเรารับรู้ร่างกายรับรู้รูปเสียงกลิ่นนั้พิจารณาเพื่ออย่าไปยึดไปติดปล่อยวางเขาถึงต้องสอนหรือว่าจะไหก็เห็นอะไรก็บอกอย่าไปยึดอย่าไปติดได้ยินอะไรก็อย่าไปยึดอย่าไปติดไรดาเราก็อย่าไปยึดอย่าไปติด ให้ใส่แต่ว่ารู้ตัวที่บอกว่าอย่าไปอยึดอย่าไปยึดอย่าไปติดไอ้ตัวนี้คือเป็นตัวปัญญาเป็นปัญญามันก็เป็นสังสารเป็นัญเป็นความคิดแต่เป็นความคิดในทางธรรมถ้าคิดไปในทางที่เดดมันก็จะเป็นเป็นปัญหาึ่จะติดโกรธจะขึงจะไม่สบายใจใจจะทุกข์ ก็สังขารนี่แหละพิ่งแต่ว่า เ, เ, เราสอนให้สังขารคิดไปในทางมันคิด เ, เพื่อปล่อยวางทายาดาเราก็ลุลุยเฉยทายาทุก็เฉยผ่านไปทําไปอย่างนี้รู้แล้วเฉยได้อะไรมาก็เฉยเสียอะไรไปก็เฉยะอก็ต้องทำให้มันได้สิต้องทําให้มันได้ มำนั้นไม่ทำนี้ก็แสดงว่ามันถูกกิเลสได้แล้วคือถ้าเราทําก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราไม่ทำไม่ได้แต่เราพยายามจะทําก็ต้องฝึกทำก็ต้องฝึกก็เราชอบเราชอบได้ก็เราก็ขืนแล้วก็หัดชอบเสียเมื่อวันนี้มาชอบเสียกันเนี่ยทุกคนอยากจะได้เงินเงินเนี่ยแต่วันนี้เรามามาหัดมามาชอบเสียกันบ้างอยางเงินที่เราชอบอยากจะได้เนี่ยไปให้คนอื่นบ้างอาจารยแล้วต่อไปเวลามันเสียมันก็จะเฉยได้ คนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานเนี้ยเวลาเงินหายไปสักสิบบาทยีสิบบาทนี่จะเกลดจะเสียใจแต่คนที่เคยให้อยู่บ่อยๆนี่จะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมค่ะเคยให้อยู่แล้วถ้าเราบอกว่าเราเราฝึกว่าปัญญาว่าไม่ต้องเสียใจนี้นะไม่ต้องเสียใจฝึก นีนะแต่พอถึงเวลาเกิดลึกเราก็บอกเออเราไม่เสียใจแต่ลึกๆยังเสียใจอยู่ที่แบยังเสียใจนึกๆยังเสียใจก็แว่ายังไมก็ดีกว่าเมื่อก่อนนเ่ก่อนันนี้อัอาจจะไม่ถึงกรปล่อยโฮออกมายังทาใจได้แต่ว่าระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่มีปัญญาเห็นอย่างเต็มที่รออร์เซ็นนี้ถือว่าใช่ได้ เยว่ะเดี๋ยวค่ะเดะ้ตแต่แต่จากนี้ถือว่าเลาเราทำบุญมากเลยเราเลาเสียของเราไม่ค่อยสึกสิดายคือเราต้องไปไปปล่อยชีวิตร่างกายเราให้ได้ถ้าเราปล่อยชีวิตร่างกายเราได้ของไปนอกเราจะรู้สึกเฉยใช่คือเรยเราเรารังอะไรมากที่สุดเลยรักการใา้ชีวิต ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยร่างกายได้ครับแล้วของอย่างอื่นนี่มันจะไม่เป็นปัญหาเลยอืคุณปัดข้าวของก็ไม่มีความหมายอย่างพระนี่ท่านก็ปล่อยท่าของไปหมดแล้วท่านก็เหลือแต่ร่างกายท่านก็มาไปปล่อยในป่าที่ท่านมปอยู่ในป่าเนี่ยเพื่อเพื่อที่ไปปล่อยร่างกาย ย, ยอมตายอยู่ในป่าแล้วถ้ายังถ้ายังกลัวอยู่ก็ต้องออกไปหาสิ่งที่กลัวถ้ากลัวความมืดก็ออกไปเดินในที่มืดกลัวงูก็เดินไปเดนเดินเข้าไปในป่าเลย มูจะกัดกันให้มันกัดไปเลยเพราะฉะนั้นจิตมันจะรู้สึกกลัวมากมากแต่ในขณะเดียวท่านมีปัญญาเยอะมากก็แค่ตายมีไงก็ต้องตายมาเช่นนี้พอมันยอมรับผ่านไปนี้ครับมันจะหายกลัวมันหยุดดิจิตมันจะเดิ่งลงเข้าสู่การสงบปล่อยวางร่างกายแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไม่เสียดายกับอะไรละเมื่อร่างกายขณะร่างกายมันยังไม่เสียดายแล้วเท่าของต่างๆนี่มันจะเลยเสียดายยัง ไม่มีไี่มีนะใ น, น, นที่สุดถ้าอยากจะปล่อยจริงๆก็ต้องปล่อยร่างกายให้ได้<ม>ถ้าปล่อยร่างกายได้แล้วใครจะตบหน้าเราใครจะด่าเราไม่ค่อยสำคัญข้ามเวทนาให้ได้ใช่ไหมครบท่านเวทนาก็ต้องนั่งให้มันเจ็บแล้วก็ปล่อยให้มันเจ็บไป ม, ม, มันกม็มีปัญหาที่ส่วนทางร่างกายมันมีอยู่สองส่วนแล้สองส่วนคือความรักความสวยงาน แล้วก็ความนักตัวเองนักร่างกายกลัตายนักตัวกลัตายแล้วส่วนทางนามขันก็มีเวทนาเนี่ยเป็นความเจ็บของทางร่างกายที่เกิดจากทางร่างกายก็ต้องปล่อยให้มันสแสดงไปมันจะเจ็บก็ปล่อมันจะเจ็บไปโดยการมันมันหายของมันไปเองหรือไม่หายก็ไม่เป็นไรถ้าใจเราวางเฉยได้ก็ไม่มปนปัญหาเลาายไม่กระสัก็ะส่ายไม่ไม่รุกลมอยากจะให้เนี่ยก็คือท่านขันห้า รูปกันหน้ารูปขันกันนามาขันแล้วทีนี้มันก็จะเข้าไปลึกเข้าไปที่เข้าไปในตัวจิตเพราะในตัวจิตมันก็ยังมีตัวตัวตัวตัวกิเดสที่ยึดติดครอบครองจิตนั้นอยู่ตัวใจนี้อยู่มันมันมันต้องเข้าไปเป็นขั้นขั้นเนี้เพราะว่าสติปัญญาของเรามันไม่สามารถเข้าไปสู่ตัวละเอียดยากจะต้องผ่านตัวหยาบก่อนผ่านกายก่อนผ่านร่างกายแล้วก็ผ <bas> ่านเวทนา ผานนามขันพอผ่านนามาขันเข้าไได้ไมันี็จะไปเจอไอท่าละเอียดที่อยู่ภายในจิตีกที่ที่ลูกทั้งรูประหล า, า, ะ ค, าะคะอรุปราคานี่ใ่ไหมคะฟังท่านที่ไม่เข้าใจ ฟ, ฟังทีไรไม่เข้าใจทุกีบางทีแต่ท่านไม่ได้เทศละเอียดนะคะทเทศเท็นเรื่องสงสารตัวเองเถิดนะคะ ท, ที่เทศเกี่ยวกับเต๋อเนี่ค่ที่ตอนที่า ม, มีเขาตายนะคะนั่นแหละ เงินตอนนี้ไม่ได้เลยนะวันนี้พอรอดคาก็ควาสมสงบที่ละเอียดนี่ยมันก็อย่างที่ท่านแสดงแสงสว่างอะไรตรงนี้มันก็ที่เรียกว่าจิตเดิมเป็นประพัดสอนเนี่ยก็ตัวนี้แหละจิตเดิมเป็นประพัสอแต่ไม่ใช่เป็นจิตบริสุทธิ์คนไปเข้าใจที่ว่าจิตเดิมเป็นจิตบริสุทธิ์จิตเดิมก็คือเป็นจิตที่เกลี่ยที่ละเอียดที่สุดมั น, น่้ำเน้นอยู่ในมันซ้ำเน้นอยู่ในในรูปฌานอะรูปฌานนี่แ พวกมือสีทั้งหลายที่เข้าได้เขา้เขาได้จิตเดิมนี่ไงก็เข้าถึงจิตเดิมจิตที่เป็นประภัดสอนใท้อาเขาไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตามีพระพุทธเจ้าองคเดียวเห็นว่าไอประภัดสอนมีความสว่างนี่มันเป็นอนัตตาหนัตตาบอมันมันมันเป็นจุดเป็นต่อมเป็นของภบของชาติอยู่ตรงนั้นที่ติดประพัดสอาไอตัวนั้นแ่ะตัวภบตัวชาติถ้ายังติดตัวนั้นอยู่มันก็ยังจะติดพบติดชาติอยู่ คนที่สองอย่างยินงดีก็คืออยากที่ได้ยินได้ฟังท่าน บ, บ่อยๆพอไปถึงตัวน่้นปั๊บมันไม่หลงเลยมันรู้ทันทีเลยแต่ถ้าคนไม่รู้ไปถึงตัวนั้นแล้วมันจะโอ้โห ว, วิเศษมากเลยเข้าห เพราะได้ยินได้ฟังท่านบ่บ่จําได้เลยพอถึงตัวนี้เอาคุณรู้มึงแล้วมันจนลูกกราบเลยเพราะว่าท่านท่านเลยตัวนั้นแล้วเราเอาตัวแรกๆก่อนอาจารย์มันก็ต้องมีปัญญารู้จักวิธีผ่านตัวนั้นนะ <c oughs> มันมันจะรู้มันก็ต้องไมัก็ต้องใช้ปัญญาของตัวเองวิเคราะห์ดูว่าจะทำไงกับมันเนี่ยอืม ถ้าสมมติ ว, ว่าถ้าอาจารย์ไม่ได้เคยฟังหลูฟังมาก่อนก็ต้องไปค้นหาเองนะไม่คน้น ม, มันจะคลิดมันจะติดตรงนั้นก่อนเลยมัคนคิดว่านี่คือนิร า, า น, น, นอ่ะใช่ควหมายเพราะอาจารย์ก็จะต้องหูเพราะความงสงบความสงบที่ละเอียดที่สุดก็คือตัวประพาสสอนนี้วิธีแก้มันจริงแต่ละองค์กจริงไม่ใช่ก็ท่าจริงมันจะถ้าอยู่ไปนานๆจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันจะว่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะมัวหมองลงมา แต่ที่สติปัญญาตอนนั้นเราทํางานอยู่ถี่มากพอมันมองปั๊บสติเราจะรีบทําให้มันสว่างขึ้นมาใหมา่คือพอทําให้มันสว่างขึ้นมาแล้คิดว่าเราทำมันต้องทำงานอย่างนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันถาวรแล้วเราถ้ามันเสร็จจิตแล้วทําไมงันต้องมาคอยรักษามันอยู่ มันก็จะตักยามันจะมัมายทึ่บแบบ้วเราจะถึงไม่้เลยเหรออุ่ายกระเป๋ากระเป๋าไว้นี่ทิ้งให้ได้ก่อนสามพันละสามเดินไปแล้วเสียยาให้ไปซ่อนอย่งนี้หรือไม่ลึหลังเลยเดินไปแล้วสามพันกะเป๋าไม่ ไม่ดีเลยโอ้เลยด นี่เขจะกลับมาเนินนี้แล้วค่ะปีหนึ่งมาสุดนาบบกลับไปกลับมาอย่างนี้อ่ะแต่ก็ปฏิบัติได้มากเลยเพราะว่าติดวดมิขที่นั่นดีมากค่ะเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่อยากโดนโทษเลยแล้วยังอยู่เมืองนอกนี่ต่างคนต่างไม่ยุ่งกันเลยโ้าไม่ยุ่งแล้วเขอยู่บ้านตลอดก็ฟัง เทปท่าาจารินหรทั้งเทปเปื่อยแบบอูทุกอย่างผเดินโยงมตั้งนะเดินในบ้านก็ได้นแค่สิบเ้าสิบห้าเ้าเดินกลับไปกลัเลยถ้านั่งอย่างเดียวมันนั่งใจมันจะรุดเดินจะดูลังนั่งใยจะกระพี้กระป๋าดานบ้านจะมีสามอย่างนะคะพอเดินได้พอนั่งด้ค่อย่าขี้เกียจพยายามเดินเนี่ยเราจะมันจะช่วยลด กำลังของ man, Knowledge mm hmm. um, okay. <S <s ี่เลสมันด้วนั่งนอนนี่กําลังกิเลนี้เยอะบิดงานนะสัดส่วนของการนั่งกับดรงตลมนี้มันมันที่ที่มันแตกต่างหนาจะไม่เหมือนกันแต่ที่มันมันมันบาระที่ดีที่สุดที่บาระสส่วนที่ดีนี่ควรจะสักเท่าไหร่คือถ้าเชื่อทําสมาธินู่นบางทีจะนั่งมากกว่าเนาะ เาอการ้าวคลอแต่พอข้าวเคลื่อนเจริญัญญานีก็เดินมากกว่าง่ายเพราะหละสมมติเราลกมาที่สมัตอนนั้นลุกขึ้นเดินแล้วก็เดินข้าไปเนี่นะคะปแก่เจ็บคุณนั่นกัตายคนนี้กัตายเราก็ต้องตายลึกไปสามีก็ต้องตายบางทีองกลางๆเขานึกบ่อยเขาก็ตายแน่นอนเราอยู่ได้ไม่อยู่ได้เขาได้ยินไมับได้ยินงี นั่งรถกลับมาจากจะอําคนเดียวนะคะก็เป็นขนาดบางทีก็อาจจะดีกุบัตินีตุตา้แต่จริงๆแล้วเวลาเขาตายยังจะร้องไห้โหโหรือเปล่าไม่ทราบอันนั้นก็เป็นเวลาที่ขึ้นเข้าห้องสอบแล้วตอนนั้นที่รหว่งที่เราคิดนี่เราเราเราดูเต็ตัวไว้ก่อนพร้อมไว้เหมือนกับนักกีฬาซร้อมมาก่อนยังไม่ได้เข้าสนามสนาม ถ้าไม่ซ้อมนี่เข้าไปมันก็แพ้อยู่ดีแต่ถ้าซ้อมว่านมันอย่างนั้นมันรู้แล้วว่ามีโอกาสที่จะชนะ50แล้วถ้าถ้าไม่ผ่านก็ซ้อมเข่มข้นมากขึ้นไปดังนั้นพอถ้าสองสามั้งมันก็จะผ่านไปปัญหาสําคัญอยู่ที่ร่างกายเรามากกว่าร่างกายคนอื่นคนอื่นตายถึงแม้จะล้องให้มันก็แค่ชั่วคราวเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่ปัญหาที่เปปัญหาอยู่กับตลอดก็คือความตายของเราเอง เราเอาตัวนี้ให้ได้เอาตัวนี้ได้แล้วปัญหาเรื่องอื่นี่มันจะหมดปัญหาไปโดยปริยายดังนั้นก็ต้องพยายามมาปล่อยตัวของเราให้ได้ร่างกายของเราเวลาเกิดความกลัวนี้ก็ต้องปลงให้ได้เลยตายก็ตายถ้าเกิดเราอยู่อยู่คนเดียวเปี่ยวเปี่ ย, ยนึกขึ้นมาเกิดเห็นที่ว่ามีใครเข้ามาจะถ้าเกิดเกิดความกลัวตอนนั้นเราเราอตายเป็นตายครับตันนั้นอ่ะมันก็จะมันก็มันก็จะ ได้ทันทีเลยแก่ความกลัวตอนไหนแล้วเราดับความกลัวได้ตอนนั้นด้วยการปล่อยยอมปลงยอมตายอยนี้มันก็จะได้ทันทีถึงแม้ว่าภัยที่ภัยที่เราเห็นหน้าจะเป็นไม่เป็นภัยจริงก็ได้แต่ถ้ามันใจเราคิดว่าเป็นจริงทุอย่างนี้แล้วเราป่งได้ตอนนั้นมันก็มันก็ได้แล้วมันไม่ต้องไปเจอของจริงก็ได้เหมือนดับจำลองแต่มันจำลองแบบที่เราเชื่อว่าเป็นจริงว่นจริง แล้วเรายอมตายเป็นตาย อ, อ, อแล้วใจแล้วมันจะเห็นคือมันจะดิ่งออกมันจะแยกออกจากกันใจมันจะดิ่งเข้าสู่ความสงบแากความกลัวจนกระทั่งสั่นไปหมดนีนแล้วก็จะนิ่งไปมันจะเห็นความแต ก, กต่างแล้วมันจะรู้ว่าความกลัวมันมันมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใ จ, ใจเราเองนี่ใจเราไม่กลัวแล้วทีนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายนี้มันจะเป็นมัจะตายเราก็มันก็ไม่เป็นปัญหากับเราเพราะเราไม่มีความกลัวไม่มีความทุกข์กับร่างกาย ไม่ต้องเรียวถมทนว่ามีคนพิการแล้วก็นั่งสมาธองไ้ามีเลยก็อย่างนี้หรอมีแต่คนพิการเขาไปเที่ยวไปเล่นไปนงอย่น้นะมครับานอกแ่พี่อาจารย์พูดถึงการทมาที่ผู้เกิดนิจิตตอนเขาทำแต่มันใช่สังขารไหมเคอสมาธรรมนี้มันก็เราไม่ทราบเขาจะเรียกอะไรมันมันอารมณ์อะเป็นอารมณ์ อาจจะเป็นควารผสมของระหว่าสังขารสัญญาเวทนาหน้ามขันเนี่ยมันสืบตัวมันทํางานอยู่มันก็เลยทําให้เกิดสภาวะธรรมต่างๆขึ้นมาแต่เราก็แยกก็เป็นเป็นจะเป็นเป็นเวทนาแล้วก็ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้มีบางทีแล้วก็จะแยกเป็นอารมณ์ก็ได้โกรธโลภหลงนี่มันก็เป็นอารมณ์แล้วก็อยู่ในจิตเหมือนกันอทีนี้นเราไม่ต้องไปให้ความสําคัญ ให้เรารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางอย่าไปหลงตามมันช้าเกิดอารมณ์เสียแล้วก็อย่าไปเสียกับมันแล้วก็พยายามรักษาความเป็นอุเบกขาของเราถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็รู้ว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะแต่เราอย่าไปไม่ดีกับมันล้วอย่าไปแสดงตัวอารมณ์ไม่ดีออกมาแล้วก็พยายามทําทําหน้าที่ของเราไปรับรู้ว่ามันเป็นอารมณ์ภายในแต่อย่าปล่อยมันออกมาแล้วอย่าไปอยากให้มันหาย เพรยิ่งอย่างให้มหายเมื่อยิ่งเกิดความทุกข์ใจซ้องขึ้นมาอีก็้ อ, อยอมรับวว่ามันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากการทํางานของนามขันของเรานี่แหละซึ่งอาจจะคิดไปในทางไม่ถูกอาจจะเป็นเพราะาเรามีความห่วงความกัวงวลความวิตกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ก็เลยทําให้เกิดมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมา เขาเกับกับพอดีผมสงสัยเรื่อง อ, น, องนัตตามา่ก่อนด้วย น, นะฮะเขาไปเจอคําว่าสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารเขาสงสัยมาอยู่ตรงนี้เวลาภาวนาเขาไปติดเพื่อมาอยู่ตรงนี้ก็อหลังก็ทิ้งไปบางทีฟังท่านอาจารย์เราพูดถเรถื่องอนัตตาอีกทีหนึ่งแล้วก็บอกความคิดเป็นสังขารแล้วสิ่งที่ไม่ใช่สังขารในที่เขาแปลออกมาอาจารย์หมายความว่าอะไรใจไม่ใช่เป็นสังขารตัวรู้นี้ไม่ใช่เป็นสังขารตัวใจคือตัวรู้ใช่ไหมตัวรู้นี้ไม่มีสังขารตัวรนี้ไม่เกิดไม่ดัำ มันรู้อยู่ตลอดเวลาอันนั้นทีไม่ใช่สังขารไม่สังขารท่านเช่นครับถ้าอย่างนนผู้ที่สัยวิมุตต์แล้วตัวรู้นี้ก็ติดไปหรืมันไม่มีแล้วก็มีก็อยู่มันตัวนี้มันไม่เกิดไม่ดับมันอยู่ที่ว่ามันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละ มันตัวนี้คงไม่ใช่อนตานะมันมีวันนักตาแค่ว่ามันไม่ใช่ทั้งอาตาเรื่องหนตานะมันเป็นวิมุติมันไม่ใช่สมุตมันเป็นความจริงอมันมันเป็นปารมาตสัจจะมันเป็นมันตัวที่เหนือสมุตคือมันไม่ได้อยู่ภายกรอบของว่าเป็นอัตาหรือหน้าตามันเป็นสักจว่า เราให้เห็นนั้นหน้าตาเพราะสิ่งต่างๆที่มันเป็นหน้าตานีมน่มันเกิดดับเกิดดับแล้วเราไปบังคับมันไม่ได้แล้วเรามากักจะไปหลงติดมันแบบ้องการที่จะปล่อยมั น, มนตัวที่เราที่ว่าเราตัวที่ปล่อยนี่ก็คือตัวที่ไม่เกิดไม่ดับนี่แหละก็คือใจเรานี่แหละทุกใจของพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเป็นใจเหมือนกันใจของพรธเจ้าใจของเราเนี่เหมือนกันใจเรานี้ไม่ดับ ที่ปฏิบัติถ้าเป็นแทบต า, าก็เพื่อที่จะชำระให้มันสะอาดต่อสุดไม่ให้มีอคติขื่ไม่ให้มีตัณหาเท่านั้นเองให้สัจธร่มรู้เฉยๆพ<ม>อร่างกายไม่มีตัวนี้มันก็ยังมีอยู่เห็น<ม>ดาว่ามันไม่มีไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ติดต่อกับพวกที่มีร่างกายด้วยกันได้<ม>แต่พวกที่เขามีพลังจิตเขายังติดต่อกันได<ม>ไ้ได้ไหมพวกที่เข้าสมาธิ ทำจิตให้สงบเพราะยังตัวรู้กับตัวรู้ก็ยังส่งกระแสข้อหากันได้มันก็ต้องผ่านสังขารนี่แหละตัวรู้ไม่มีอะไรตัวรู้มันต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยนา ม, มนขันเป็นตัวปรุงแต่งขึ้นมาแต่เรื่องเหล่านี้ไม่สําคัญใ้สําคัญอยู่ที่ว่าใจเราหายทุกข์หรือไม่หายทุกข์กันเองเอาตรงนี้ต่างหา แต่อเรือ่องไอเรื่องที่ว่าไอเรื่องของธรรมชาติของของใจนี้เป็นไงมันมันจะรู้เองหลังจากที่เราปฏิบัติเข้าไปใครสงสัยแล้วครับเพราว่า <c oughs> ยังไปไม่ถึงบอ ก, กบอกก็ไม่เข้าใจ <c oughs> ไปไม่ถึงเข้าใจแล้วทิ้งไปแล้วคือเหมือนที่ <c oughs> ทศเจะส่งเลาเรื่องเรื่องคนที่ถูกธนูถูกถูกยิงด้วยธนู แล้วหมอว่าเขาจะมาช่วยเอาถอนถอนทีงนูออกคนก็ต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนยิงเป็นหญิงเป็นชายเป็นเป็นเป็ น, นชนชั้นใดเพระเจา้าอย่าไปเสียเวลาถามอข้อมูลเหล่า น, นี้เลยมันไม่มันมันไม่เป็ น, นปัญหามันไค่เป็นประเด็นนะผู้ยัยประเด็นมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เราถูกลูกศรมันทึ่นอยู่ที่ร่างกายเราต้องการรักษาร่างกายแล้วก็ต้องดึงไอ้ดูกนี้ออกไปแล้วลรักษาแผแลในใจเราก็มี กิเลเนี่ยที่เป็นเหมืนอนนุ่นคอนที่มันฝังอยู่ในใจเราเราไม่ต้องไปสนใจแล้วว่ามั น, ม, นมันมัมนมีมันมีประวัติมากันมาอย่างไรไม่เกิดประโยชน์ขอให้เรารู้วิธีที่จะดับมันเท่นั้นเนี่วิธีเราจะดับมันได้เราก็ต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเรามาสัมผัสรับรู้นี้เป็นสิ่งที่เราไะยึดติดไม่ได้ไปปอยากกับเขาไม่ได้เท่านั้นเองออลูกเสียงกินน่นรสภับนุษสรรเสริญ ร่างกายเวทนาสัญญาสัของขารมีอย่างแล้วก็สภาวะที่เกิดขึ้นในจิตที่ละเอียดนี้ยึดไม่ได้เหมือนเหมือนกาบให้ปล่อยอ่าปล่อยหมด